นำดับนั้นพระมหาสัตวกราบทูลพระราชานั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนผู้ทรงแกล้วกล้าประเสริฐกว่านรชนบุรุษที่ฝาพระบาทตรัสเรียกมานพนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นยักษ์ชื่อปุนกะพระเจ้าข้าว่าพระบาททรงเคยได้ยินชื่อมาแล้วก็ปุนกะยักษ์นั้นเป็นอมรทของเท้ากุเวระ พญานาคทรงพระนามว่าวรุณผู้ครองนาคพิภ พ, พมีพระกายใหญ่โตสะอาดทรงสมบูรณ์ด้วยวันณะและกำลังปุณกะยักษ์รักใคร่นางนาคกัญญาต์นามว่าอิรันทตีพระธิดาของนาคราชนั้นจึงตกลงใจจะฆ่าฆ่าพระอมค์เพราะเหตุแห่งนางอิรันทตีผู้มีเอวบางร่างน้อยน่ารักใคร่ แต่ปุณกกะยักษ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกับภรรยาส่วนข้าพระองค์ผู้อันพญาหน้าคราชอนุญาตให้กลับมาแล้วและได้แก้วมณีมาด้วยบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าบุรุษที่ฝ่าพระบาทตรัสเรียกมานพยังมานะโบตยาพิวธิความว่าพระมหาสัตว์กราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมูชนพระองค์ทรงเรียกคนใดว่ามานพคนนั้นไม่ใช่มนุษย์เลยเป็นยักษ์ชื่อว่าปุณกกะคำว่าผู้ครองนาคพิภพภูมินทโรได้แก่ผู้ครอบครองแผ่นดินคืออยู่ในนาคพิภพคำว่านางนาคกัญญาสานาคกัญญาความว่า ปุณกกะยักษ์นั้นรักใคร่นางอิรันธตีนาคกัญญาผู้เป็นทิดาของพญานาคนั้นพยายามเพื่อฆ่าฆ่าพระองค์ให้ตายคำว่าเพราะเหตุแห่งนางอิรันธตีผู้น่ารักใคร่ปิยายะเหตุความว่าพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข่าแต่พระมหาราชเจ้าก็พญานาคราชนั้น เลื่อมใสในการแก้ปัญหาในเรื่องอุโบสถสีบูชาข้าพระองค์ด้วยแก้วมณีแล้วเสด็จกลับไปยังนาคพิภพเมื่อพระนางวิมลาเทวีทูลถามว่าแก้วมณีของพระองค์หายไปไหนพระเจ้าข้าจึงทรงพรรณนาความที่ข้าพระองค์เป็นธรรมกะถึกพระนางวิมลาเทวีนั้นมีพระประสงค์จะสดับธรรมกถาของข้าพระองค์ ได้ทําความปรารถนาด้วยดวงหัตถของข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นพญานาคทรงเข้าใจผิดตรัสกับนางอิรันทตีผู้เป็นธิดาของตนว่ามารดาของเจ้าปรารถนาดวงหัตถของวิทุรบัณฑิตเจ้าจงไปแสวงหาสามีผู้สามารถจะนําดวงหัตถของวิทุรบัณฑิตนั้นมาได้นางอิรันททีเที่ยวแสวงหาสามีอยู่ ได้พบปุณกยักษ์ผู้เป็นหลานของท้าวกุเวระเวสวร์ทราบว่าปุณกยักษ์นั้นมีจิตปฏิพัทธ์ในตนจึงนำไปสู่สำนักพระบิดาลำดับนั้นพญานาคตรัสกับปุณกยักษ์ว่าเมื่อเจ้าสามารถนำดวงหทไทยของวิทุระบัณฑิตมาให้จกได้นางอิรันทีลูกสาวของเรา ปุณกะยักษ์จึงนำเอาแก้วมณีอันเป็นของบริโภคแห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิจากเวปุระบันพศมาพนันเล่นสกากับพระองค์ได้ข่าพระองค์แล้วพักอยู่ที่เรือนของข้าพระองค์สามวันบอกให้ข้าพระองค์จับหางม้าแล้วพาไปกระแทกข้าพระองค์ที่ต้นไม้บ้างที่ภูเขาบ้างในหิมะวันตะประเทศเมื่อไม่อาจให้ข้าพระองค์ตายได้ จึงบ่ายหน้าต่อลมเวรัมพะควบม้าไปในกองลมเจ็ดครั้งแล้ววางค่าพระองค์ไว้บนยอดเขากาลาคิรีบันพุธที่สูงถึง60โยชโยธทำกรรมอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างด้วยอำนาจแห่งเพศ ร, ราชสีเป็นต้นก็ไม่อาจทำให้ค่าพระองค์ตายได้ข่าพระองค์ถามถึงเหตุที่เขาจะฆ่าเขาบอกเหตุนั้นให้ทราบโดยตลอด เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์จึงได้แสดงสาธุนรธรรมแก่เขาเขาได้สดับสาธุนรธรรมนั้นมีจิตเลื่อมใสใครจะนำข้าพระองค์มาส่งณที่นี้ครั้นเขามีความประสงค์จะมาส่งเช่นนั้นข้าพระองค์จึงพาเขาไปสู่นาคพิภ พ, พ, พแสดงธรรมถวายพญานาคราชและพระนางวิมลลาเทวีนาคบริษัทธทั้งหมด พากันเลื่อมใสในธรรมเทศนาทั้งนั้นในเวลาพญานาคราชทรงยินดีในธรรมเทศนาของข้าพระองค์เท้าเธอได้ประทานนางอิรันธตีแก่ปุณกกะยักษ์ปุณกกะยักษ์ได้นางอิรันธตีแล้วมีจิตเลื่อมใสจึงบูชาข้าพระองค์ด้วยแก้วมณีอันพญานาคราชทรงบังคับให้มาส่งข้าพระองค์ จึงยกข้าพระองค์ขึ้นขี่มา้ามโนไม่สินทพส่วนตนเองขึ้นนั่งบนอาสนะท่ามกลางให้ข้าพระองค์นั่งอาสนะข้างหน้าให้นางอิรันทตีนั่งอาสนะข้างหลังนำมาส่งในที่นี้ยังข้าพระองค์ให้ลงที่ท่ามกลางบริษัทแล้วพานางอิรันทตีไปสู่นครของตนแล้วแหลคข้าแต่พระมหาราชเจ้า เพราะเหตุแห่งนางอิรันทตีผู้มีเอวอันงดงามน่ารักนั้นอุณกะยักษ์จึงได้พยายามจะฆ่าข้าพระองค์ด้วยประการอย่างนี้ก็แต่ว่าอุณกะยักษ์ได้อาศัยฆ่าพระองค์ในครั้งนั้นแหละจึงได้เป็นผู้พร้อมเพรียงสมัครสังวาดกันกับภรรยาพญานาคราชทรงสดับธรรมเทสนาของข้าพระองค์ทรงเลื่อมใสแล้ว ทรงอนุญาตให้ส่งข้าพระองค์กลับคืนและข้าพระองค์ได้แก้วมณีอันเป็นของบริโภคแห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิอันสามารถให้สิ่งน่าใคร่ได้ทุกอย่างมาจากสำนักแห่งปุณกญาติข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์ทรงรับแก้วมณีดวงนี้ครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ถวายแก้วมณีแก่พระราชา แต่นั้นพระราชาเพื่อจะตรัสเล่าพระสุบินที่พระองค์ทรงเห็นในเวลาจวนรุ่งแก่ชาวพระนครจึงตรัสว่าถวยราดผู้เจริญทั้งหลายพวกเจ้าจงฟังสุบินนิมิตที่เราเห็นในเวลานี้แล้วตรัสว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดริมประตูวังของเราลาต้นประกอบด้วยปัญญากิ่งของมันแล้วด้วยศีลตั้งอยู่ในอัตและในธรรม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 ต้นไม้นั้นกลับมาตั้งอยู่ที่ประตูวังของเราตามเดิมวิธุระบัณฑิตเช่นกับต้นไม้ใหญ่นี้กลับมาสู่ที่อยู่ของตนแล้วท่านทั้งหลายจงกระทาการเคารพนบนอมแก่ต้นไม้คือวิธุระบัณฑิตนี้เถิดขอเชิญอามาตถ์ผู้มีความปลื้มใจด้วยยศที่ได้เพราะอาศัยเราทุกทุกท่านเที่ยวจงแสดงจิตของตนให้ปรากฏในวันนี้ ท่านทั้งหลายกระทาบันณาการให้มากแล้วจงกระทาการเคารพนบนอกแก่ต้นไม้คือวิธุระบัณฑิตนี้เถิดสัตว์เราใดเห่าหนึง่งที่ถูกผูกไว้และถูกขังไว้ซึ่งมีอยู่ในเว่นแคว้นของเราจงปล่อยไปให้หมดวิธุระบัณฑิตนี้หลุดพ้นจากเครื่องผูกชันใดสัตว์เหล่านั้นก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกชันนั้น พวกชาวไร่ชาวนาจงหยุดพักเล่นมหรสศพตลอดเดือนหนึ่งนี้ขอเชิญพราหมณ์ทั้งหลายมาบริโภคข้าวอันเจือด้วยเนื้อพวกนักเลงสุราและพวกที่ชอบดื่มสุราจงดื่มจากถ้วยที่เต็มเปี่ยมไหลปลีไปนั่งดื่มที่ร้านของตนของตนพวกหญิงแพทย์ยาที่อาศัยอยู่ตามถนนใหญ่จงเล้าลงชายที่มีความต้องการเป็นนิด อันหนึ่งราชบุรุษทั้งหลายจงจัดการรักษาในแว่นแคว้นให้เข้มแข็งโดยการที่พวกชนจะไม่พึงเบียดเบียนกันท่านทั้งหลายจงกระทำการเคารพนบนอบแกต้นไม้คือวิธุระบัณฑิตนี้เถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของมันแล้วด้วยศีลศีละมยัสระได้แก่ต้นไม้นี้มีกิ่งล้วนแล้วด้วยศีล คำว่าในอัดและในธรรมอัตเถจะธรรมเมจะได้แก่ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ในความเจริญและในสภาวะธรรมคำว่ามีปัญญารักษาตนนิปากโกความว่าต้นไม้นั้นแล้วด้วยปัญญาประดิษฐานอยู่แล้วคำว่ามีผลเต็มไปด้วยเบนจโครสควัพพโล ความว่าต้นไม้นั้นมีผลล้วนแล้วด้วยเบญจโครสคําว่าดารดาษไปด้วยช้างโคและมา้าหัตถิขว่าสะชันโนความว่าต้นไม้นั้นดารดาษไปด้วยฝูงช้างฝูงโคและฝูงมา้าที่ประดับประดาแล้วคําว่าเล่นเพลินอยู่ด้วยการฟ้อนรําขับร้องและดนตรีนัจจะคีตะ ตุริยาพิจณาทิเตความว่าครั้นเมื่อมหาชนกระทําการบูชาต้นไม้นั้นเล่นเพลิดเพลินไปด้วยการฟ้อนรําขับร้องเป็นต้นที่ต้นไม้นั้นอยู่บุรุษดําคนหนึ่งมาถอนต้นไม้นั้นแล้วไล่ขับเสนาที่ยืนล้อมให้หนีไปต้นไม้นั้นกลับมาประดิษฐานอยู่ที่ประตูของเราตามเดิมก็เหมือนกับบัณฑิตนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้นกลับมาสู่ที่อยู่ของเราแล้วบัดนี้พวกท่านทั้งปวงจงพากันทาส ก, การะยำเกรงเคารพแก่ต้นไม้คือบัณฑิตนี้ให้มากคำว่าเพราะอาศัยเรามะมะปัจเจเนะความว่าอามาตผู้เจริญทั้งหลายอามาตผู้มีจิตยินดีด้วยยศที่ตนอาศัยเราได้มาแล้วทั้งหมดนั้น ชงทำจิตของตนให้ปรากฏในวันนี้คำว่ามากติพานิได้แก่มากมายคือใหญ่โตคำว่าบรรณาการอุปยนานิได้แก่เครื่องบรรณาการทั้งหลายคำว่ า, เ, าเหล่าใดเหล่าหนึง่งเยเกจิความว่าโดยชั้นที่สุดไม้เอามรึกและปักษีที่ขังไว้เพื่อดูเล่นคำว่า จงปล่อยมุนจเรได้แก่จงปลดปล่อยข้อว่าพวกชาวนาชาวไรจงหยุดพักเล่นมหรสพบตลอดเดือนหนึ่งนี้อุนังคลามาสมิมังกะโรนตุความว่าขอชนทั้งปวงจงหยุดทำไร่ทำนาเสียตลอดเดือนนี้ให้คนตีกลองเที่ยวประกาศไปพร้อมกันมาทำการสมโพ์เป็นการใหญ่ คำว่าขอเชิญมาบริโภคพักขยันตุได้แก่เชิญบริโภคอักษรในคำว่าอมัชชปาพวกที่ชอบดื่มสุรานี้เป็นเพียงนิบาศอธิบายว่าพวกนักเลงสุราเมื่อควรจะดื่มสุราย่อมมาประชุมกันดื่มอยู่ที่ร้านดื่มของตนของตนคำว่าจากถ้วยที่เต็มเปี่ยม ปุนาหิถาลาหิได้แก่ด้วยถาดอันเต็มคำว่าไหลปรีปลิสุตาหิได้แก่ไหลล้นออกจากถาดเพราะมีสุราเต็มปรีข้อว่าพวกหญิงแพทยสยาที่อาศัยอยู่ตามถนนใหญ่จงเล้าลมชายที่มีความต้องการเป็นนิดมหาปัทถังนิจจังสมุวหยันตุความว่า พวกหญิงแพรยยาที่อยู่ประจำทางใหญ่ที่ตกแต่งไว้คือที่ทางหลวงจงปเล่าปะปลมล่อรวงชายผู้มีความต้องการด้วยกิเลสเป็นนิดคำว่าให้เข้มแข็งติดพังได้แก่ให้แข็งแรงคำว่าโดยการที่ยะถาความว่าขอท่านทั้งหลายจัดการรักษาต้นไม้ อย่างที่พวกชาวนาจัดแจงรักษาต้นไม้ด้วยดีกระทําความยำเกรงต่อต้นไม้ไม่เบียดเบียนกันและกันเมื่อพระราชาตรัส ด, ดังนั้นแล้วพระสนมกำนันในพระราชกุมารพวกพ่อค้าชาวนาและพราหมณ์ทั้งหลายได้นําข้าวและน้ําเป็นอันมากมาให้แก่วิธุระบัณฑิตพวกกองช้างกองมา้า กองรถและกองเดินเท้าได้นําข้าวและน้ําเป็นอันมากมาให้แก่วิธุระบัณฑิตชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมเพรียงกันได้นําเอาข้าวและน้ําเป็นอันมากมาให้แก่วิธุระบัณฑิตคนเป็นอันมากเมื่อวิธุระบัณฑิตมาถึงแล้วได้เห็นวิธุระบัณฑิตมาแล้วต่างก็มีจิตเลื่อมใสพากันโบกผ้าขาว โ h ร้องขึ้นเสียงอื้ออึงด้วยประการชนนี้แหลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้นำมาให้อภิหารยุงความว่าเพราะสนมกำนันในเป็นต้นเหล่านั้นที่พระราชาบังคับแล้วอย่างนี้พร้อมกันสั่งมหาชนให้ปล่อยสัตว์ทั้งปวงจากที่คุมขังและที่ผูกจัดแจงบรรณาการมีประการต่างๆ ส่งข้าวและน้ำพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการนั้นไปให้แก่บัณฑิตคําว่าวิธุระบัณฑิตมาแล้วบัณฑิตตมาคเตความว่าชนเป็นอันมากเมื่อบัณฑิตมาถึงแล้วได้เห็นบัณฑิตนั้นก็มีจิตเลื่อมใสมาหอระสบสมโพธตลอดการล่วงไปเดือนหนึ่งจึงสําเร็จเสร็จสิ้นพระมหาสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชน สั่งสอนพระราชาเหมือนกับว่าบำเพ็ญพุทธกิจให้สำเร็จบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นและรักษาอุโบสถกรรมดำรงอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นอายุได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าชนชาวกุรุรัตทั้งหมดตั้งต้นแต่พระราชาตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหาสัตว์พากันรักษาศีลบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้น ตลอดชีวิตให้บริบูรณ์ครั้นสิ้นอายุแล้วได้ทำสวรรค์ให้แน่นขนาดพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในการก่อนเราตถาคตก็ถึงพร้อมด้วยปัญญาฉลาดในอุบายเหมือนกัน ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกมารดาบิดาของบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นมหาราชสกุลในบัดนี้ภรรยาหลวงของบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นมารดาของพระราหุลในบัดนี้บุตรคนโตของบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นพระราหุลในบัดนี้พระนางวิมลาในการนั้น ได้มาเป็นนางอุบลวันนาเถรีในบัดนี้เทาวรุณนาคราชในการนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้พยาครุฑในการนั้นได้มาเป็นพระโมคคัลลานะในบัดนี้เทาสักกะเทวราชในการนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะในบัดนี้พระเจ้าโกรับพยราชในการนั้น ได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้อุณกะยักษ์ในการนั้นได้มาเป็นพระช น, นะในบัดนี้ม้ามโนไม่สินทพในการนั้นได้มาเป็นพยาม้ากันทะกะในบัดนี้บริษัทนอกจากนั้นในการนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในการนี้ส่วนวิธุระบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นเราตถาคต คู่อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้แลอัฏฐกะถาวิธุระชาดกที่เก้าจบ